เมื่อสองสาวันก่อนมีคนเขียนมาถา ม, มเป็นคำถามซึ่งคงอยู่ในความคิดของหลายคนคือเรื่องสันโดษนะคือเขาถามมาผู้จาร์กะสอนเรื่องสันโดษให้พอใจในสิ่งที่มีสิ่งที่ได้มาอันนี้ มันจะเป็นการขัดหรือว่าไม่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างฝรั่งเนียเขาปฏิทินคนเทคโนโลยีต่างๆมากมายก็เพราะว่าเขามีความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็เลยปฏิษคินค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อเน้นความสะดวกรวมทั้งเพื่อจะได้ มีมากๆากหรือทำรายได้น้อยลง <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นคำถามซึ่งก็ถามกันมานานหรือว่าตั้งขึ้นมาเป็นประเด็นว่าพุทธสันโดเนี่ยมันจะเป็นการขัดกับความเจริญหรือไม่คือนอกจากไม่ส่งเสริมแล้วก็ยังเป็นอุปสรรคที่จริงนี่ก็ความคิดแบบนี้ก็มีมานานนะ เมื่อสมัยจอมมลสิทธิ์ทการปฏิวัตเิเมื่อ2500เนี่ยราจะนัองส0ปีก็มีการออกคำสั่งทำนองขอร้องให้พระสงฆ์เนี่ยเลิกสอนเรื่องสันโดเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาซึ่งเป็นนโยบายของคณะปฏิวัติอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้กันแล้วแต่ว่าสมัยก่อนเขาเขามองแบบนั้นจริงๆก็เลยสอนบอกให้พระเลิกสอนเรือสันโดมันก็50กว่าปีมานะสันโดมนี่ก็เป็นธรรมะที่เข้าใจกันผิดเยอะหรือว่าปฏิบัติผิดด้วยไอ้คนที่เข้าใจผิดก็ไม่ปฏิบัติหรือว่าคนที่เข้าใจ อาจจะเข้าใจเห็นด้วยก็ปฏิบัติผิดก็มีคือสันโดรเนี่ยนะความความหมายแรกหมายถึงการที่พอใจสิ่งที่มีเย็นเย็สิ่งที่ได้เช่นเราทำมาหาเงินหรือท ร, รม า, ากินก็มีไรายได้มาจังนวนหนึ่งไอ้ความสันโดรเนี่ยถ้าเรามีก็จะทำให้เราไม่ทุกข์ ส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์ก็เพราะว่ารู้สึกว่าบรรได้น้อยไปแล้วก็โดยเพาะเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขาได้มากกว่าเราเราได้แค่นี้ก็เกิดความทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีสันโดร์เนี่ยก็ทำให้เราไม่มีความทุกข์ในสิ่งที่เราหามาได้โดยชอบทำคือถ้าหาไม่ได้โดยชอบทำแล้วก็ควรจะพอใจหรือว่าทําเต็มที่แล้วได้เท่าไหร่ก็ควรจะพอใจ ทุกไปทาไมเพราะว่าทุกไปก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาในเมื่อมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่วันนี้สันโดนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเมื่อพอใจแล้วหยุดนะก็ยังทำงานกันต่อไปนะก็ยังหากินหรือว่าทำมาหากินต่อไปแต่ว่าที่ทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อ อยากจะได้มากไม่จำเป็นอาจจะทาเพราะามันมีเรามีความสุขที่ได้ทำอย่างหลายคนเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากได้เงินเยอะๆนะแต่ว่าเขามีความสุขวันไหนไม่ทำงานแล้วเขาไม่มีความสุขไอ้ผลตอบแทนที่เป็นเงินเป็นรายได้านี้มันเป็นเรื่องรอง นั้นก็มีนะคนที่เราว่าพอใจในสิ่งที่ได้มาแล้วก็ก็ยังทํางานต่อไปนะหรือว่าพอใจในสิ่งที่ได้ทําแต่ว่าก็ยังคิดว่ามันน่าจะทําให้ดีขึ้นได้ก็ทําให้มีการปรับปรุงไม่ใช่ว่าพอเราพอใจแล้วนะงอมืองอเท้า ให้การที่เราเห็นว่าเออมันนะอย่างนี้ดีแล้วนะที่เราทํามาก็พอใจแล้วแต่ว่าถ้ามันสามารถจะทําให้ดีขึ้นกว่า น, นี้ได้ก็น่าจะทำํำนะก็ทําให้มีการปรับปรุงสิ่งที่เราได้ทําให้มันดีขึ้นหรือทําให้ได้เกิดผลผลิตมากขึ้นอันนี้ไม่ได้ขัดกันะไม่ใช่ว่าพอใจแล้วมันจะหยุดนะ แต่เรายังสามารถจะทำให้มันดีขึ้นได้เราก็ทำปรับปรุงแล้วได้เท่าไหร่เราก็พอใจแล้วเราก็ทำต่อไปอสันโดษยังมีประโยชน์อีกแน่หนึ่งในแง่ที่ว่าพอเราหามาได้พอเพียงแล้วเราพอใจแล้วอตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วอย่างคนบางคนเนี่ยทำงานมา20ปีเป็นข้าราชการเก็บ้อมรอมิฟหรือ ว, วาเป็นนักธุรกิจก็แล้วแต่ ก็เรียกว่ามีเงินสะสมไม่พอสมควรแล้วเขาก็เนื่องจากเขามีความสันโดษในความหมายที่ว่าเขาพอใจในสิ่งที่ได้มาแล้วก็อีกความหมายนี้นก็คือว่าเป็นคนชิดกินง่ายเลียงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินเก็บเท่านี้เขาก็พอใจแล้วเขาก็จะเอาเวลาที่เหลือไปทาอะไรอย่างเช่นพอหาเงินมาได้จานวนหนึ่งเขาก็เล่าออจากงาน แต่ไม่ใช่ว่าเราเพื่ อ, อไปเที่ยวแต่เราออเพื่อว่าจะได้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นเป็นจิตอาสาอันนี้เขาก็ทำเพราะความสันโดษก็คือว่าเขาพอใจใ น, ในเงินที่เก็บสะสมมาไม่ได้ต้องการมากกว่านี้แล้วไม่ไดมีความโลภและเขาเนื่องจากเขาอยู่ง่ายกินง่าย เ, าเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหามาให้มากๆ ก็ทําให้เขามีเวลาที่จะทํำสิ่งที่มันดีกว่าการหาเงินนะก็คือการปฏิบัติทำการไปทําบุญทำกุศลการไปช่วยเหลือส่วนรวมหรือจะใช้เวลานี้คิดคน้น เ, เรื่องวิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ก็ได้ประเด็นคิดค้นเทคโนโลยีก็ได้ให้เห็นได้ว่าสันโดษเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพอใจแล้วก็ดิ้นกับที่ มันก็ยังเปิดโอกาสหรือาสา์สญให้คนเราเนี่ยสามารถจะทำงานต่อไปปรับปรุงเปลี่ยนปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือว่าเอาเวลาไปทาให้ไปทาเวลาที่เหลือนี้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แต่มันก็เป็นไปได้นะว่าสันโดษเนี่ยพอบางคนเข้าใจผิดปฏิบัติผิดก็มีอย่างเช่นหาเงินมาได้ พอเพียงแล้วอย่างเช่นวันนี้นี่เดือนหนึ่งหามาได้เดือนหนึ่งต้องการใช้เงินสักประมาณ 5,000 บาททำงาน5วันก็ได้ 5,000 ละพอได้ครบ 5,000 ฉันพอใจละฉันก็หยุดและอีก25วันที่เหลือฉันก็นั่งเล่นนอนเล่นประเภทตามเข้าสารก่อหมอย สัมนวนที่เหล่นี้คนสมัยนี้มันค่อยเข้าใจทางภาษาก็มากคือว่าหามาได้พอพอที่ต้องการแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ทําต่อนั่งเล่นนอนเล่นพอเงินหมดเมื่อไหร่ค่อยไปหาเงินใหม่สันโดษที่มีความาคนที่เข้าใจสันโดษแบบนี้ก็มีนะคนใจ้จำนวนไม่น้อยก็เป็นแบบนี้ก็เลยทําให้เกิดความเข้าใจกั่ว่าสันโดษนี่มันเป็นการขัดต่อความเจริญเพราะว่า ทำให้เกิดคนงอมืองงอเท้าด้วยเหตุนี้พู้เจ้าเนี่ยท่านยังไม่ได้สอนเรื่องสันโดษล้วนๆเทียวๆนะท่านสอนอีกธรรมะข้อนึงคู่ไปด้วยก็คือความเพียรสันโดษนี่มันต้องคู่กับความเพียร น, นะเพราะว่าถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยมันก็อาจจะเพียนได้เพียนอย่างที่ว่ามา จากที่พอมีความเพียรแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความกระตือรือล้นไม่ไม่ไม่ไม่เฉยๆฉนะกระตุ้นให้ทำงานต่อไปนะหรือกระตุ้นให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พอ้ท่านก็นฉลาด น, นะคือว่าเวลาสอนธรรมะนี่ท่านก็พยายามสอนธรรมะที่เป็นคู่คู่กันเพื่อว่าจะได้ทำให้ไม่เกิดความผิดเพี้ยนเช่นสมาธิก็ต้องคู่กับวิริยะถ้าไม่มีไม่มีความเพียนนี่สมาธิาก็อาจจะทำให้เกิดความเฉื่อยเนินือยได้หรือคนที่มีวิริยะก็ต้องมีสมาธิไม่งั้นมันจะฟุ้งซ่างนง่าย มีศรัทธาก็ต้องคู่กับปัญญามีศรัทธาแต่กาจะกลายเป็นความงมงายถ้าไม่มีปัญญาคอยพิจารณาใช้เหตุใช้ผลว่า ง, งมงายได้หรือมีปัญญาก็อาจจะรู้สึกเกิดความผกรเก่งขึ้นมาไม่เชื่อใครเถียงด่าหมดเลยแย้งด่าหมดนะมันก็อาจจะทําให้ไม่ไปไหนะนะหรือว่าเมตตากป็เงนินเมตตามากๆนี่ก็ มีปัญหานะเช่นไปช่วยเหลือคนผิดเนี่ยลูกทำผิดก็ยังเมตตาช่วยลูกลูกไม่ทําการบ้านมาก็แก้ตัวว่าบอกโกหกครูว่าลูกป่วยลูกไม่สบายเพื่อจะช่วยให้ลูกคนผิด น, ะนี่ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องก็ต้องมีคุเบกขาคุเบกขาคือการวางเฉยเช่นวางเฉยนี่วางเฉยด้วยปัญญานะก็คือว่าลูกทําผิดลูกก็ควรจะได้รับโทษ เพอจะ้ไปช่วยเขาก็จะเป็นการทำให้เขาได้ใจก็ต้องยอมหรือว่าวางเฉยให้ลูกเนี่ยถูกทำโทษให้เขารับผิดชอบต่อต่อการกระทําของเขาตามตามหลักธรรมาสันโดษก็เหมือนกันกาสันโดษนี่ก็ต้องมีวิริยะความเพียรคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่า สันโดษเนี่ยมันมีมีวิริยะกำกับเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่งอเมืองอัดเท้าแต่ขนาดเดียวกันถ้ามีวิริยะและมีสันโดษโต้คู่กันไปก็ทำให้ความวิริยะเพี้ยนเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยบางคนวิริยะเนี่ยนะแต่เป็นวิริยะเพื่อกอบโกยเอาเข้าตัวแต่ถ้ามีสันโดษเนี่ยมันก็จะรู้จักพอว่าเออเท่านี้พอนะ ฉันหาเงินมาได้สองสล้านนะแต่ว่าฉันใช้แค่สี่ห้าแสนกะพอที่เหลือฉันก็เอาไปช่วยทำบุญให้ความเพียรเนี่ยถ้ามันไม่มีสันโดลมันก็เพียรเพื่อตัวเองสนองกิเลส ก, ก็มีเยอะแต่ถ้าเรามีสันโดลเนี่ยมันก็จะเอาข้อกลแต่พอประมาณที่เหลือก็แจกจ่ายหรือว่าเอาไปช่วยเหลือส่วนรวม ก็ทําให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือว่าทุกคนที่มีความเพียรมากๆเนี่ยบางทีก็ทุกข์นะเพราะว่ามันไม่สําเร็จะนะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จได้น้อยนะอยากได้มากแต่ได้น้อยก็เกิดความทอ้อแทนะ้เกิดความทอ้อแท้ขึ้นมาก็ในสุดก็เลยทอ้อถอยก็เลยเลิกทํา หลายคนที่มีความตั้งใจมีความพยายามมากเนีย่ยนักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนมากแต่ว่าพอเปรดมันได้แค่สองแค่2อก็มันได้น้อยกว่าที่คิดก็มีความทุกข์ทุกข์มางมแล้วก็เลยท้อเลยก็เลยเลิกเลยฉันไม่เอานะแต่ถ้ามีสันโดรเนี่ยเออฉันทำเต็มที่แล้วแต่ว่าได้แค่2 5ก็พอใจแฉันไม่ทุกแต่ว่า ฉันก็จะทำอีกแล้วก็จะทำทำต่อไปแล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นให้ความไม่พอใจนี่ในสิ่งที่ได้มามันทำให้ทอ้อถอยได้ง่ายแล้วก็ทำให้คลายความเพียรในที่สุดแต่ถ้ามีสันโดรนี่มีความพอใจพอมีความพอใจแล้วไม่ทุกข์แล้วก็ทำให้มีกาลังที่จะทำต่อไปไเรื่อยๆใหการปฏิบัติทำแล้วก็ต้องมีแบบนี้ด้วยือนกันนะแล้วก็เตะรับพล